ร่างฐานร่างฐานร่างฐานของเรานี้มีความจําเป็นมีตลอดเวลาอยู่เฉยเฉยไม่ไดม้มีเครื่องนุ่งเครื่องห่มปกปิดจักรวรรกายมีที่อยู่ที่อาศัยมีปัจจัยเครื่องสนับสนุนอาหารการบริโภคเต็มไปหมดยูจะไม่กําหนดกดเจนว่ามีมากเพียงไรมนุษย์นี่มันเป็นอย่างนั้นสัตว์ก็ไม่ก็มีอะไรล่ะผ้านุ่งผ้าห่มเขาก็มีที่นอนหมอนมุ้งเขาก็จะมียุยาแก้ไขเขาก็จะมี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 พอจะเสียสละพอจะตัดความตณิยเหนียวแน่นซึ่งเป็นกิเลสตัวสําคัญอยู่ภายใ น, ในใจิตใจของเราตัวนึ่งแล้วจะได้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่รับเสียสละจากเราเช่งการให้ทานทานกแ็แปลว่าการให้ทอดออกไปจากตัวของเราดึงออกไปจากความเป็นสมบัติของเราความตณิยเหนียวแน่นของเราดึงออกจนมันขาดสละทานไปได้มากน้อยเพียงไรผู้ที่รับทานนั้นก็รับความสุขความสบายแล้ว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 ควทุกพอดินฟ้าอากาศนั้นมันไม่กระเทือน จ, จิตใจแต่เรื่องของกิเลสนี่กระเทือนมากกระเทือน จ, จิตใจอะไรจะขาดตกบกพร่องไปบ้างถ้าจิตใจเรามีความถาสุขโดยอดโดยธรรมแล้วเราพออยู่พอเป็นพอไปทั้งนั้นแต่ถ้าจิเลสมันเดือดร้อนวุ่นวายมีความกระเสือกสน ก, งกังวลกวายเบอร์ความทะยอยทยานด้วยความอยากความมีหัยเป็นเครื่องรางดีจิตใจอยู่แล้วจะมีอะไรมากมายกับกอง ม, มืกองเงินกองทอ ง, ทงเท่าภูเขามันก็หาความสุขไม่ได้เพราะตัวนี้เป็นตัวทุกข์เราควสุขมาจากไหน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 เอาให้ดีจิตใจไม่มีปัจฉาอย่าลืมพ่อเนี้กเอาแล้วกันเคยสมมุติกันมาหนุนนานแล้วว่ะตายตายนะเอาให้เห็นความจริงของความตายเอาให้ถึงจิตนั่นอ่ะจิตตายจริงเหรอพอถึงนี้แล้วมันก็หมดลงหนอง อ, อ้อ๋อเป็นอย่างนี้เองถ้าเอาละเอบ๋งวันนี้มีเอบ๋ว <c oughs> <c oughs>